แต่ที่เราได้ประโยชน์สาคัญนะครับในการทราบถึงหลักการศาสนาช่วงคราวที่อัลละฮ์กำชับคนที่ของให้รอมแล้วนี่ก็เกับเรื่องล่าสัตว์สิ่งสาคัญที่ผมเห็นว่ามันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์สมรและคนที่ไม่ได้ไปอัลลอส์ سبحانه และได้ออกแบบหลักการศาสนานี่นะ ให้เป็นให้เป็นหลักการศาสนาสิพี่สิดูแล้วนี่หลักการศาสนาที่ที่สุดยอดมีเสน่ห์โอคนที่อ่านหลักการศาสนาอิสลาม่ในแต่ละเรื่องอะนะก็จะต้องพบถ้าต้องต้องซึ้งนะต้องต้องทราบซึ้งก่อนสิ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำคั ญ, ส ำ, คญสำหรับทุกคนที่อา่านอายานี้เนี่ย เลยะอัลลอฮฺไม่ยิ่ยข้ามุบุบในบคนที่จะไปหรือไม่ไปเนี่ยก็คือรู้แล้วนี่ว่าใครที่ปฏิบัติตามสิ่งที่เร า, าได้สั่งไว้นี่นะอลัลลอฮจะรู้รู้ว่าใครที่กลัวพระองค์ถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่เห็นพระองค์ไม่เห็นอลัลลอฮรู้ไม่ล่าสัตว์นี่อลัลละฮรู้ตัวเลยนะบางฉัน คนนี้เนี่ยไม่ได้ลาสนันี่เรื่องหา้ารมที่อัลลอฮ์ห้ามแค่ช่วครับพี่น้องจะมีความสุขมีความสุขขนาดไหนครับเวลาพี่น้องงดงดสิ่งบาปเารอมที่อัลลอฮ์ห้ามไว้เนี่ยและเรารู้นี่ว่าที่เราไม่ได้ทํานี่เพราะอัลลอฮ์แล้เราเรารู้ตัวแล้วนะไอ่บางคนเนี่ยมันไม่ได้ทำเพราะมันกลัวเราความสุขของผู้ศรัทธา ที่จะได้รางวัลว่าอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลรารู้ตัวเราแล้วรู้ตัวเราแล้วเนี่ยมันมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาอะไรอย่างอีกแล้วซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนเนี่ยจะขัดเกลาตัวเองพ้นงดบาปหรือข้อห้ามอะไรบางอย่างที่เรายังทำอยู่เอาตัวนี้มามาคิดมานึก เรียกอะไรมาอัลลอฮฺทรงรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วเลิกเลิกสิ่งบาปฮารำดังการเนี่ยเพื่อให้อัลลอฮฺรู้ตัวสารับบางคนเนี่ยบางบางคนเนี่ยเวลาเขาเวลาเขาทำบาปแล้วจะเตาบาัดตัวด้วยความละอายนะจะเตาบัดตัวก็จะขอโดยด้วยความละอายที่เขาทำบาปเนี่ย เขาจะยกมือเนี่ยยกมือเนี่ยแล้วก็ขอขอเรื่องเดียวก่อนเรื่องเดียวก่อนก่อนที่จะเต้าบัตรตัวก่วอนที่จะอะไรเลยด้วยความละอายอยานะเขาจะยกมือแล้วก็ขอโอ้เออโลมองฉันบ้างมอให้อลลอะมองเห็นด้วยความตระหนักว่าถ้าทํำบาปแล้วเนี่ยความเป็นไปได้สูงนี่ว่าอัลลอฮ ไ ม, ไม่มองหละแล้วถ้าอเราไม่มองเราจะยกมือขอดูอ่าแล้วแล้วแล้วมันจะมีผลเหมือนเราคุยกับคนที่เรารักมากแล้วเขาไม่มองเราก่อนที่จะพูดเนี่ยเราจะทักยังไงเขาทำอย่างนงี้แล้วเราคุยกับเขาอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ก็ไม่มองคาแรกที่เราต้องพูดนี่คืออะไระมองฉันดิสำหรับนี่ก็จะขอดอวอกมองฉัน มีสิ่งที่อัลลอฮ์สอนให้เราทําอยากอยา ก, อ, ายอยากจะเลามองไหมอยากจะเรารู้ตัวไหมฮะปฏิบัติทีที่อัลลอฮ์ข้าไม่เนี่ยปฏิบัติตามนี้สิอย่าแล้วมันรอหัม่เอะขอบัฟอัลลอฮ์ไม่ใช่มองอย่างเดียนอัลลอฮ์จะรู้ตัวด้วยรู้ตัวถ้าเรารู้ตัวแล้วไอ่บางคนนี้เนี่ยมันเลิกมันงดมันไม่ทําเนี่ยเพราะมันกลัวฉัน มันคือก้าวหน้าสู่การขัดเกลืจิตใจฝากไว้กับพี่น้องเพีงเท่านี้นะครับสัลละมฮัมมัดอะลลิาิอฮลลมอะลัยกุมลราะห์มุตุลลอฮ